ไขปริศนาตานานรูปผู้หญิงยิม้มเธอเป็นใครหากเรามองดูรูปถ่ายสักใบหนึ่งแล้วเห็นคนทําท่าทางต่างๆพร้อมกับใบหน้าที่เปื้อนรอยยิม้มคงจะไม่แปลกอะไรสักเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากว่าใบหน้านั้นเป็นรูปถ่ายในงานศพหรือเป็นรูปของคนตายที่มีสีหน้านิ่งเฉยแล้วยิ้มออกมาคงจะน่ากลัวและหลอนไม่ใช่น้อยนี่ เป็นเรื่องราวที่ล่ำลือต่อกันมากับตำนานรูปยิ้มของเมืองหาดใหญ่ที่โด่งดังไปแล้วทั่วประเทศผมเป็นชาวหาดใหญ่ตั้งแต่กำเนิดเป็นมุสลิมหาดใหญ่ในช่วงวัยรุ่นผมค่อนข้างจะเกเรพอสมควรหลังจากจบมสามทางบ้านก็ส่งผมไปเรียนโรงเรียนสา ม, มันสอนศาสนาอิสลามเพื่อจะดัดนิสัยและลดความซ่าของผมลงบ้างนันกเรียนที่นี่ เรียนภาคสามัญและศาสนาควบคู่กันไปทุกคนจะพักในกระท่อมเล็กๆของโรงเรียนและศึกษาภาษาอาหรับในตอนค่ำพวกเราค่อนข้างจะเรียนหนักสำหรับเด็กในวนัยนี้สัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งจึงจะได้กลับบ้านสักครั้งบางคนที่อยู่ไกลก็อาจหลายเดือนถึงจะได้กลับบ้านทีหนึ่งส่วนคนที่อยู่อำเภอใกล้เคียงเหมือนกันกันกบผมก็พอมีอยู่บ้างผมจึงกลายเป็นเจ้าทินโดยปริยาย เพื่อนๆที่มีนิสัยเกเรจึงสนิทสนมและเข้ากับผมได้อย่างรวดเร็วเรามักจะชวนกันหิรียนไปเที่ยวข้างนอกกันบ่อยๆผมและเด็กหาดใหญ่มักจะเป็นหัวโจกเสมอวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งชื่อดุลซึ่งเป็นชาวหาดใหญ่เหมือนกันเอยปากชวนพวกเราไปดูรูปยิมในเมืองหาดใหญ่ซึ่งไอ้ดุลเคยไปดูกับพวกเพื่อนๆของเขาเมื่อคือนก่อนแล้วเขาบอกกาลังดัง คนไปดูกันเยอะแยะเลยแต่ดุนก็มีสีหน้าหวาดวันปรากฏให้เห็นที่ใบหน้าอยู่เหมือนกันเขาพยายามจะเล่ารายละเอียดต่างๆแต่พวกเราก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่จะไปดูทำไมวะมันก็แค่รูปดารายิ้มไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยแต่ดุนก็ขยันขยอจนเราทุกคนก็ยอมไปเพราะไม่มีโปรแกรมที่อื่นที่จะไปที่ไหนตอนนั้นผมกับเพื่อน ไม่เคยรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำไปจากนั้นเราก็วางแผนหนีเรียนตอนคาบบ่ายพวกเราทั้งหมดเก้าคนนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันสามคันฝ่าเปลแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนโดยมีไอ้ดุนขี่นำหน้าพาเราไปถนนราชอุดหิตพวกเราจอดรถหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่เกือบสุดซอยเป็นบ้านแถวชั้นเดียวสภาพค่อนข้างเก่า มีชายวัยกลางคนนุ่งขาวห่ษงขาวกำลังเก็บกวาดที่หน้าลานบ้านและที่ผนังหน้าบ้านมีรูปถ่ายผู้หญิงขาวดำแขวนไว้หน้าบ้านระดับสายตาผมกระเซิงดวงตาหวานแบบดุดดริมฝีปากทุกทาด้วยลิปสติกสีแดงสดมีรอยยิ้มและเหมือนกำลังจ้องมองพวกเราอยู่ผมกับเพื่อนยืนดูนิ่งๆสักพักตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัว แต่สายตาไม่ได้เหมือนหูกสะกดไวหล่นยิ้มกว้างขึ้นแล้วก็ค่อยๆกลับมาทำหน้าบึง้งตึงราวกับว่าพวกเราไปทำอะไรให้โกรธแค้นผมต้องละสายตาจากรูปพางใช้มือขยี้ตาลมก็พัดผิวเ ย, นย็นเยือยเยือกไปถึงสันหลังเราทั้งก้าคนนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันจนมีเสียงท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาจึงเริ่มรู้สึกตัว อ้บ้ารูปคนตายก็ไม่บอกผมพูดให้ดูเหมือนกับว่าไม่กลัวขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชายวัยกลางคนในชุดผู้ทรงศีลเจ้าของบ้านกำลังจะเดินเข้าบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงได้เข้าไปถามลุงว่าผู้หญิงในภาพนี้คือใครเมื่อคุณลุงได้ยินก็หยุดกึกที่หน้าประตูแล้วหันกลับมามองพวกผมกับเพื่อน แกนิ่งสักพักเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็หันหน้ากลับทางพูดขึ้นมาว่าอยากรูก็ตามเข้ามาแล้วก็เดินเข้าบ้านไปพวกเราต่างพักกันเพราะไม่อยากเข้าก่อนด้วยความกลัวพอเข้ามาได้เจ้าของบ้านก็ให้เรานั่งบนเตียงไม้เขาสั่งให้ลูกศิษย์นุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันยกชาร้อนกับขนมมาเสิร์ฟแล้วก็เดินหายไปหลังบ้าน จากนั้นพวกเราก็คุยกับชายเจ้าของบ้านคุยไปคุยมาสักพักแกก็ยิ้มเหมือนได้เพื่อนใหม่มาเล่นด้วยแล้วลุงเขาก็โชว์การอ่านคัมภีร์อันกุร่านซึ่งมีสำเนียงที่แปลกมันเร็วจนผิดปกติจังหวะนั้นผมก็ถือโอกาสสังเกตดูบรรยากาศรอบๆภายในบ้านมีรูปเทพเจ้าของฮินดูจีนฮุดคริสอัครอิสลาม ด้านหน้าพวกเรามีโต๊ะหมู่บูชามีพระพุทธรูปปางนาคปกเทพกวนอูฮันุมานเผ่า พ, พิฆเนศตื่นโป้ก่ายและอีกสารพัดแต่สิ่งที่ทําให้พวกเราตกใจเป็นอย่างมากก็คือที่กลางโต๊ะหมู่บูชามีหัวกะโหลกมนุษย์ตั้งอยู่บนหัวมีเทียนสีเหลืองที่จุดติดไฟปักอยู่บนหัวกะโหลก ร, รอบๆกะโหลกมีน้ําตาเทียนเกาะกลางเต็มไปหมด ในบ้านมียันต์ติดอยู่โดยรอบบ้านมีหม้อดินปิดผ้าสีแดงลงยันต์กำกับปิดปากหม้อมีมีดลงอัคระคล้ายภาษาบาลีหรือขอมโบราณและมีรูปหญิงสาวคนเดียวกันนั้นแขวนอยู่อีกรูปหนึ่งอยู่สูงเหนือหิ้งบูชามีธูปหนึ่งดอกจุดเสียบไว้ที่หน้ารูปในบ้านหลังนี้แม้จะไม่เปิดพัดลมก็เหมือนมีลมเย็นเ ย, ยือกพัดแผ่วๆอยู่เสมอ ผนทาให้คุณลุกสู้เป็นบางครั้งและสถานที่แห่งนี้ยังเงียบมากจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองบรรยากาศดูมบนหมองมีกลิ่นอับจนหายใจไม่คล่องเงียบและวังเวงแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามราวกับว่าพวกเราอยู่อีกภพภูมิหนึ่งทันใดนั้นลุงแกก็พูดขึ้นมาว่าจะกลัวไปนำไมนม วิญญาณมันมีอยู่ทุกที่แหละอย่างเตียงที่พวกเอ็งนั่งอยู่นั่นก็พึงจะวางศพมาหมาดานั่นไงเธอยังนั่งอยู่เลยพวกผมกับเพื่อนได้ยินดังนั้นก็ต่างพากันร้องสิงหลงแล้วกระโดดไปนั่งเบียดทับกันที่โซฟาข้างๆทั้งขนแขนขนหัวนี่ลุกเลยแต่ลุงแกกับหัวเลาะดังลั่นยังสนุกสนานแล้วก็บอกว่าลอเล่น ผมคิดได้ว่าเราต้องรีบกลับกันแล้วอยู่ต่อคงไม่ไหวแต่ก็ยังมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่ต้องรู้ให้ได้ขนาดที่ผมกำลังจะอ้าปากถามเหมือนรู้ลุงแกหันไปมองรูปในบ้านแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปดูเคร่งเครียดขึ้นพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เจิเจิน่ะเป็นคนจีนมาจากฮ่องกง มาทำงานในโกดังของท่าเรือกับครอบครัวที่ปีนังเป็นลูกสาวคนเดียวจึงถูกกดขี่จากครอบครัวเพราะคนจีนไม่ค่อยจะชอบลูกสาวเท่าลูกชายพ่อของเธอบังคับเธอยังหนักให้แต่งงานกับเพื่อนของพอ่อแต่เธอไม่ยอมที่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวรุนดาวคราวเดียวกับพอ่อเธอบอกเจ้าบ่าวว่ายอมตายเสียดีกว่า ที่จะแต่งงานกับชายแก่แบบนี้พ่อของเธอนั้นอับอายและโกรธมาเธอจึงถูกพ่อเคียนตีอย่างหนักแล้วจับไปขังไว้ในโกดังวันแล้ววันเล่าเช้าวันหนึ่งสาวรับใช้ในบ้านยกสำรับอาหารเข้าไปให้เจินๆตามปกติแต่เมื่อไขกุญแจเปิดประตูโกดังเข้าไปก็ไม่เห็นจึงเดินเรียกหาก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ เมื่อเดินไปจนสุดโกดังที่มีแสงแดดจากหน้าต่างสาดส่องเข้ามาจึงได้เห็นว่าเจนเจินนั้นเด็กแขวนคอตายห้อยตองแต่งอยู่กับคือสาวใช้ตกใจผ ง, งะถอยร้องเสียงหลงลาวกับคนบ้าวิ่งยังไม่คิดชีวิตออกจากโกดังไปรายงานพ่อของเธอลุงแกก็เล่าต่อว่าตอนนั้นน่ะฉันอาศัยอยู่ที่ปีหนัง ครอบครัวของเธอก็ติดต่อเพื่อนฉันให้มาเชิญฉันเพราะว่าหลอนเฮี้ยนมากวันหนึ่งในงานศพขนาดที่ฉันกำลังนั่งสวดอาคมอยู่หน้าโลงศพก็ได้เห็นเธอในรูปงานศพกำลังร้องไห้และขอไปอยู่ด้วยกันกับฉันฉันน่าสงสารจึงขอรูปถ่ายนั้นไว้กับเส้นผมบางส่วนแล้วสะกดวิญญาณลงในหม้อดิน ซึ่งรูปที่อยู่นอกบ้านเป็นรูปที่อัดสำต้องทาลิปสติกพอเธอบอกว่าเธอชอบฉันจึงแขวนรูปใบเฝ้าบ้านกลางดึกมีพวกมาลองดีเยอะคืนก่อนก็ตายไปสองศพที่หน้าบ้านส่วนรูปที่อยู่ในบ้านนี่รูปจริงอยากดูเส้นผมของเธอไหมละ่มะเมื่อลุงแกลุกขึ้นทําห่าจะไปหยิบพวกเรารีบห้ามแกไว้ทันที แกจึงกลับมานั่งต่อแล้วก็พูดว่าใครอะที่เห็นเธอยิ้มแสดงว่าเธอถูกโชคชะตาไม่นานเขาก็จะมีโชคลาภส่วนใครที่เห็นเธอหน้าบึ้งก็จะมีโชคลายหรืออาจถึงคาดเลยก็ได้ผมและเพื่อนขอตัวกลับทันทีโดยอ้างว่ายังมีเรียนอยู่เราทั้งหมดอยู่ที่นี่ และนั่งฟังอย่างหวาดกลัวมากกว่าสามชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเรื่องทั้งหมดก็มาจากปากลุงซึ่งเป็นหมอผีคนทรงคนเล่นของหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของรูปคนตายยิ้มได้เราทุกคนเดินออกจากบ้านมาก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมหันหลังกลับไปมองดูรูปอีกครั้งคราวนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเธอไม่ยิ้มแต่กลับทำหน้าบึ้งตึง สมภัทสิโย